เรื่องมหัสจัลลมหายใจโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปร่วมจัดทําโดยคุณยายแหลมสีกงพานครอบครัวตรณะนูพาสครอบครัวทรงพลครอบครัวภัยสุนทรสุขครอบครัวอารยุติธรรมครอบครัววิริยามหัสจัลลมหายใจ นมโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมยาติขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้พากันตั้งจิตตั้งใจมาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธามั่นคงทำรงตามหลักพุทธศาสนา เชื่อมั่นในหลักคำจริงหรือคำสอนเรื่องสัจธรรมของจริงพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้พากันขวนขวายสแสวงหาความสงบความสงบคือความสุขสิ่งที่ไม่สงบคือความทุกข์แม้ตั้งแต่ทางด้านร่างกายไม่สงบมีโรคภัยไข้เจ็บก็ทุกข์การพูดจาประสัยทำให้ไม่มีความสงบ ก, ก็เกิดทุกข์ จิตใจของพวกเราคิดก็เหมือนกันจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิจิตใจก็ทุกข์เหตุฉะนั้นจึงไม่มีใครปรารถนาเรื่องความทุกข์มีแต่ปรารถนาเรื่องความสุขความสงบนี่คือความต้องการของคนเราทุกคนเหตุฉะนั้นเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้ได้รับความสงบได้รับความสุขที่ตนเองพึงปรารถนาจึงเป็นเรื่องจาเป็น ที่เราจะต้องศึกษาตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเราสแสวงหาเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสงบความสุขนั้นเมื่อเรามีความปรารถนาแล้วถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดอบรมตนเองแล้วเราจะได้ความสุขเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหน อยากเฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้พบความสงบที่ต้องการที่พึงปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงสอนให้พากันเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนานั้นก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนั่นเองทำไมเราจึงต้องฝึกฝนอบรมที่จิตใจให้สงบเพราะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เอฉะนั้น ในภาสิทธิ์ที่ได้คิดในเบื้องต้นไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจสิเลิศใจสิประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายมาสู่สถานที่นี้มาฟังเทศฟังธรรมก็ดีมาฟังบรรยายธรรมต่างเพื่อศึกษา เพราะเนื่องจากว่าจิตใจของเราอยากมาไม่ใช่รูปร่างกายนี้อยากมาที่นี่เป็นเรื่องของจิตใจอยากมาเหตุ <t> ฉะนั้นถือว่าเร า, <net> เรามีความสามารถควบคุมเอารูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจของจิตใจใจเขามีอำนาจอย่างนี้ <net> เมื่อจิตใจของคนเราไม่สงบจิตใจของคนเรามีความทุกข์อย่างหนึ่ง พูดง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายๆคือถ้าจิตใจทุกข์แล้วไปอยู่ที่ไหนในโลกทุกหมดไม่มีความสุขเห็นชัดเจนไหมเราจึงมาฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขไปอยู่ที่ไหนจิตใจก็มีความสุขทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นดีๆว่าเออเป็นอย่างนี้เองคนเราสุข เขาว่าสุขกายสุขใจสุขร่างกายนั้นคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็พออยู่แต่การสุขใจสิเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะให้พวกเราได้รับความสุขจึงได้พากันเจริญเมตตาภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้ได้ปราบใดที่จิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ยังไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนา องสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้มีหลักที่จะให้พวกเรานั้นปฏิบัติแต่พวกเราก็สแสวงหาหลายวัดหลายวาหลายสถานที่สแสวงหาในการปฏิบัติต้องการความสงบสุขเมื่อไปพบแต่ละวัดละวาให้ข้อธรรมกรรมฐานหลายสิ่งหลายอย่างเพราะข้อธรรมกรรมฐานนั้น พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ถึงสี่สิบข้อเพื่อให้ตรงกับจริตนิสัยของบุคคลที่จะน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบเป็นสมาธิแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งว่าการเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานนี้เป็นยอดมงกุฎของการเจริญภาวนาสามารถจะควบคุมจิตใจของบุคคลได้เป็นอย่างดี ไม่เว้นจริตนิสัยของบุคคลใดถ้าบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจําเป็นที่พวกเราจะต้องพากันฝึกหัดอบรมตนเพราะทุกคนต้องการมีความสุขทาไมจึงอยากฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบทำไมจึงอยากจะมีความสุขเพราะถ้าจิตใจของเราไม่สงบ เราไม่สามารถจะวิเคราะห์วิจัยเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรทําให้เกิดทุกข์อะไรทําให้เกิดสุขเราไม่เข้าใจเพราะใจไม่สงบตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดในการปฏิบัติถ้าตราบใดที่เราฝึกจิตใจไม่สงบเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์จะรู้ยาก ถ้าหากเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวดีเราก็สามารถที่จะพินิจพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นกับตนและในปวงชนทั่วไปที่มีความวุ่นวายอยู่ไม่สงบนั้นให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเข้าใจแล้วก็มีทางที่จะแก้ปัญหาลดเรื่องทุกข์ออกจากตน และบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้เพราะจิตใจของเราสงบทำไมเราจึงต้องฝึกจิตใจให้สงบเรามานึกว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั้นเขาอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ใช่ไปอยู่ที่อื่นๆเราจะได้ไปดูที่นั้นถ้าจิตใจไม่สงบเราก็ดูไม่เห็นเลย ที่ว่าความโลภทําให้เกิดทุกข์อย่างไรความโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีความทุกข์อย่างไรความหลงไหลทั้งบุญทั้งบาปนั้นเราก็ไม่เข้าใจเพราะจิตใจไม่สงบถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็ดูได้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจนี้คือความโลภมาก ที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิก่มเหมือนเราเข้าใจได้เห็นว่าผู้ใดมีโลภะมากอยากได้มากดิ้นรนจนนอนไม่หลับเกิดทุกข์มาจากที่ไหนมาจากความโลภในจิตใจแต่แก้ปัญหาตนเองไม่ได้ถ้าหากว่าเรากำลังโกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกัน อยากทุกข์อยากตีอยากฆ่ากันอยากเบียดเบียนกันจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์เราก็มองไม่เห็นว่าต้นเหตุมาอย่างไรก็หาว่าคนอื่นทำให้เรามีความทุกข์ตนเองเนี่ยทำให้ตนเองทุกข์ก็ไม่รู้เพราะจิตใจของตนเองคิดความหลงไหลก็เหมือนกันหากว่าเราหลงอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงไหลไปบุญบาปจะเกิดขึ้น ไม่รู้จักเราก็ค้นคว้าหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีเราเข้าใจได้ง่ายทุกอย่างนี้เกิดขึ้นกับตนกําลังมีความทุกข์อยู่นั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดของตนเองนี้เองเรียกว่ากรรมเป็นของของตนจะเข้าใจได้ง่าย กำลังโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตเป็นทุกข์อยู่ไฟไหม้หัวใจอยู่ร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี้มาจากความคิดของตอนเองนี่เองเราก็จะเข้าใจได้ก็ทุกข์อยู่โอ้มันอยู่ที่ใจของเรานี่มาจากความคิดของตอนเองนี่เอง เราก็จะเข้าใจได้แก้ปัญหาได้เมื่อจิตสงบอยู่ถ้าเราหลงไหลอะไราทำให้เราทุกข์เราก็จะเข้าใจได้ง่ายโอจิตนี่เองมันหลงแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นจุดสำคัญที่สุดจึงให้พากันเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนี้หลักความจริงนั้นคือว่าถ้าหากบุคคลไม่รู้จักสิ่งที่จะควบคุมจิตใจให้สงบนั้นเรานั่งเจริญเมตตาภาวนามาสิบปี20ปีแต่ก็ยังทำจิตใจตนเองให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้เหตุเพราะเราขาดอะไรจึงไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองให้สงบเป็นสมาธิจึงเป็นหลักที่สาคัญที่สุด ที่เราจะพากันศึกษาว่าการที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจแล้วไม่สงบเป็นสมาธิเพราะเราขาดสติคือความระลึกได้ขาดสัมปัตยัญญะคือความรู้ตัวจิตของเราคือความคิดเราต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายความระลึกได้คือสติเราไม่มีสติ เราจึงควบคุมความคิดไม่ได้ไม่มีสัมปชัญญะจึงควบคุมจิตไม่ได้จิตคือความคิดเราคิดมาตั้งแต่เกิดคิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถึงหนุ่มสาวจนถึงแก่เรายังไม่รู้จักจิตใจของตนเองควบคุมไม่ได้ปล่อยให้คิดอยู่ตลอดไม่ได้พักได้ผอนไม่มีความสุขจิตที่ไม่สงบมันเป็นอย่างนี้ เหตุฉะนั้นเราควรที่จะฝึกสติของเราคือความระลึกระลึกว่าจิตคิดสัมปัตชัญญะความรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่ที่ไหนเหมือนพวกเราพากันนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้จิตอยู่กับตัวไหมหรือมันไปอยู่ที่อื่นตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดการจะควบคุมจิตใจถ้าหากว่าเราเข้าใจ เออเรามีสติระลึกว่าจิตคิดสัมปัสัญญะรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับตนกับตัวเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะประครับประคองจิตใจไว้กับลมหายใจเข้าออกได้อานาปานาสติคือยอดกรรมฐาน ทำไมจึงให้เจริญอาณาปานสติกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเพราะการเจริญข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้มีประโยชน์มีความเหนือกว่ากรรมฐานแต่ละข้อต่างๆทำไมจึงอ้างอย่างนี้เพราะการที่เจริญข้อธรรมกรรมฐานอาณาปานสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ระ ง, งับทุกขเวทนาที่เกิดในร่างกายได้เป็นเยี่ยมเยี่ยมกว่าทุกข้อ ซึ่งทั้งหมดมี40กรรมฐานแต่ทุกข้อผู้เจริญข้อทำกรรมฐานสมมุติว่า39นอกจากนี้ไปนั้นก็ต้องต่อสู้กับเวทนาเวทนารบกวนแล้วทำให้จิตใจวุ่นวายอยู่กับเวทนาไม่สงบง่ายๆถ้าหากพวกเราทั้งหลายเจริญอาณาปานสติกรรมฐานแล้วเจริญลมหายใจเข้าออกให้สบายสบาย หายใจเข้าสบายหายใจออกสบายให้ลมหายใจเข้าสบายสบายร่างกายมันจะเบาจะเบาขึ้นไปเรื่อยเรากำหนดลมเข้าไปเท่าไหร่ก็ให้ละเอียดสุ ข, ขุมลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งเบาลงไปถ้าเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายมันก็เบาลงไปด้วยกันข้อนี้หละเป็นข้อที่สำคัญที่สุด การจเจริญเมตตาภาวนาลมหายใจเข้าออกการที่เราจะนั่งอยู่ในบ้านก็ดีนั่งอยู่ที่วัดก็ดีหรือที่ทำงานต่างๆหรือไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่บางทีมีที่เหมาะสมที่จะหลีกเลี่ยงไปปฏิบัติหรือจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดมันก็ทำสมาธิได้เพราะเรามีสติสัมปชัญญะ การฝึกสติสัมปชัญญะจึงเป็นข้อที่สำคัญยืนให้มีสติเดินให้มีสตินั่งมีสตินอนมีสติเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องฝึกที่ตนเองส่วนมากคนเราไม่รู้จักเลยว่าตนเองยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จักเรียกว่าสติยังไม่สมบูรณ ถ้าหากเรารู้ได้มีสติยืนเดินนั่งนอนได้แล้วแบบนี้เราทำการงานอะไรให้มีสติว่าตนเองกำลังทำการงานนั้นอยู่พอรู้ได้ไหมถ้ารู้ได้แปลว่ามีสติในการทำงานขับรถขับเรือทำการทางานอะไรทุกอย่างเราสามารถจะรู้จักว่าเรากำลังทำการงานนั้นอยู่จะไม่ผิดพลาด เพราะเรามีสติในการทำงานเราฝึกไม่ต้องร้อนใจอะไรในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจถ้าหากว่าเราทำการงานไม่ผิดพลาดแล้วมีสติพร้อมอยู่ในการทำงานแล้วการพูดก็ดีเราจะพูดคุยกับเรื่องราวอะไรต่างๆต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมคำพูดของตนเองได้ รู้จักในประเด็นในการพูดนั้นอยู่ว่าพูดเรื่องอะไรต้องเข้าใจไม่ใช่พูดปรามาราไปจนหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นคนมีสติพูดเขาต้องรู้จักควบคุมดูแลในการพูดไม่ต้องพูดมากพูดมีเหตุมีผลมีประโยชน์เขาจึงพูดนี่เรียกว่าคนพูดมีสติ ถ้าเรายัางไม่มีสติในการควบคุมการพูดของตนเองเราจะไปควบคุมจิตใจได้อย่างไรแค่คำพูดก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะจิตใจก็เป็นนามธรรมเขาไม่มีตนมีตัวนะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องมาฝึกถ้าเรารู้จักว่าเออเราพูดเรื่องราวนี้จะให้มันจบเรื่องราวนี้ให้เหมาะสมกับเวลาอย่างนี้ แปลว่าเราเข้าใจว่าเราควบคุมการพูดของตนเองได้บางคนควบคุมคำพูดของตนเองไม่ได้จึงมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนหน่วยงานใดมีเรื่องราวเพราะควบคุมคาพูดไม่ได้นั่นเองนี่เห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าคนขาดสติสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลคำพูดของตนเอง ถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมคำพูดของเราได้ว่าเราพูดเรื่องอะไรถูกหรือผิดดีหรือชั่วเราเข้าใจจึงมาควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราพร้อมแล้วบัดนี้เราจะอบรมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิคนมีสติสัมปชัญญะระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะรู้ตัวว่าคิดคิดอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้อยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้คือลมหายใจเข้าออกไหมหรือมันอยู่ที่อื่นดูตรงนี้สิจะเห็นชัดเจนเราจะหมั่นประครับประคองจิตไว้กับลมหายใจเข้าออก ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบได้เร็วคืออะไรประการแรกต้องละอดีตเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องละทิ้งเวลาทำสมาธิอย่าเอามาคิดเวลาทำสมาธิเรื่องอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตัดออกไปหมดเหมือนกันไม่ต้องเอามาคิดสิ่งนั้นยังมาไม่ถึง เอาแต่ปัจจุบันธรรมบัดนี้จิตของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไหมอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมแต่ขอให้ทุกคนหายใจให้สบายสบายหายใจให้โล่งๆให้สบายมันจึงจะไม่เครียดในการปฏิบัติหายใจสบายและเอาสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของเรา มาคิดดูลมหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายสบายควบคุมเอาไว้เพื่อให้จิตใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ า, ม, ออ ม, ามันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมามันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาต่อมาเมื่อเราคุมไปคุมมาแล้วจิตใจของเราจะอยู่กับลมจะดูลมว่าหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้ หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าออกสัมผัสให้รู้อยู่ที่นั่นถ้ามันรู้อยู่ที่นั่นจิตของเราก็จะอยู่ที่นั่นเพราะเราคุมดูอยู่ถ้ามันยังไม่อยู่เราก็ต้องคุมต่อไปถ้าบุคคลที่ฝึกง่ายก็คือจะคุมได้ง่ายมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกประครับประคองให้ลมหายใจ ละเอียดสุ ข, ขุมลงไปเรื่อยๆบัดนี้ทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาบ้างร้อนหนาวมีเหลือมียุงอะไรต่างๆมารบกวนในร่างกายอย่างนี้มันไม่สนใจกับเรื่องสิ่งมารบกวนเรื่องทุกขเวทนาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอะไรเราไม่สนใจเราจะพยายามพัฒนาลมหรือกำหนดลมนี้ให้ละเอียดสุ ข, ขุมลงไปเรื่อยๆ พอลมละเอียดลงไปเรื่อยๆเวทนาก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่ชั่วระยะหนาทีนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วออกไปอีกเราก็ควบคุมจิตใจกลับคืนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอีกถ้าหากสามารถควบคุมจิตใจของเราอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไดถึงสนาทีเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าจิตนี้สงบ อยู่กับลมหายใจเข้าออกละเอียดเห็นชัดเจนเห็นความสุขเกิดขึ้นเพราะจิตไม่มีอะไรรบ ก, กวนจิตนิ่งอยู่มีความสุขเราก็เห็นพอเห็นความสุขแล้วดูลมมันละเอียดเหมือนจะไม่มีลมเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้เป็นการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานเมื่อลมละเอียดสุขคุมจริงๆแล้วเวทนาก็จะสงบลง ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเจ็บที่ไหนไม่ต้องไปสนใจเราตั้งใจมาสร้างลมให้ละเอียดเท่านั้นเมื่อลมละเอียดจริงๆจนเหมือนไม่มีลมอย่าไปตกใจนะเจริญภาวนาเออกำลังดูลมอยู่ลมมันหายไปไหนเราจะไม่ตายหรืออย่าไปคิดเรื่องอย่างนั้นลมหายใจเข้าออกละเอียดเฉย แต่เราไม่สามารถที่จะจับได้แล้วทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันเงียบไปเลยบันดีตรงนี้เองการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานความเจ็บปวดทั้งหลายอยู่ในร่างกายสงบหมดไม่มีความรู้สึกมันเบาสบายเพราะลมหายใจเข้าออกเหมือนจะไม่มีร่างกายก็เบาสบายอาณาปานสติได้เปรียบเพื่อนตรงนี้แหละ การเจริญข้อธรรมกรรมฐานอาณาปานสติกรรมฐานเหมือนจิตของบางคนควรที่จะจำเอาไว้ให้ดีจะมีต่างๆกันบางคนวูบลงไปเหมือนตกลงไปในเหวอย่าไปตกใจเหมือนกับตนเองยืนอยู่ในก้นเหวเพอเราน้อมดูจิตของเรามันก็จะคืนมาอยู่กับตัวได้แป๊บเดียวอันนั้นอย่างหนึ่ง บางคนเหมือนกัะวูกลงไปเหมือนจะล้มลงตอนนั้นแหละจิตของเรากำลังวางเรื่องรบกวนแล้วลงมาหาสู่ความสงบบางคนก็นั่งอยู่ดีๆจนละเอียดสุขขุมจนลมไม่มีถ้าสงบจนนานถึงสี่สบนาทีหรือชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งบางคนเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายนี้เบาไม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหน ไม่มีเจ็บที่ไหนเลยร่างกายทุกส่วนเบาสบายเรียกว่าเบากายเบาใจนี่คือไม่มีสิ่งรบกวนให้เอาจิตใจออกจากสมาธิจิตใจสงบหนักแน่นอยู่มีแต่ความสุขถ้ามีความสุขเกิดขึ้นจะมีปีติที่เราไม่เคยเห็นการฝึกฝนอบรมจิตใจหากจิตใจคนที่ไม่เคยสงบมาก่อนเลย พอไปพบความสงบใหม่ๆเท่านั้นจะตื่นเต้นทำไมสุขเหลือเกินสุขแล้วก็มีปีติบางคนขนลุกขนพองขึ้นบ้างบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้องบางคนเย็นเข้าไปในหัวใจบางคนเหมือนสายฟ้าแลบเป็นอย่างนี้บางคนเบาในร่างกายเหมือนจะลอยขึ้นไปบนอากาศเพราะอะไรก็ดูความสุขอยู่ร่างกายเบาสบาย ความเจ็บปวดหายไปหมดไม่มีแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แบบนี้เราก็มาเห็นแต่ปีติกับความสุขสลับกันอยู่เดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ปีติเดี๋ยวก็สุขสุขจริงๆไม่มีสิ่งรบ ก, กวนจิตใจจิตใจสงบเป็นสมาธิเราจะเชื่อมั่นด้วยตนเองเลยไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าจิตใจสงบนี่มีความสุขไหมเข้าใจได้ด้วยตนเอง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ติดอยู่ในสุขนี่ก่อนพอมาพิจารณาสุขอยู่ปีติก็ย่อมดับไปเมื่อปีติดับไปก็เห็นแต่สุขจิตก็เลยเป็นหนึ่งอยู่กับสุขเรียกว่าเอกคตาจิตจิตเป็นอัปปนาสมาธินี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิก็เปรียบว่าจิตไม่มีสิ่งรบกวน ก็มีแต่สุขอยู่ว่างๆนั่งอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงตอนนั้นจะไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่อยากได้อะไรไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่คนเดียวเพราะมันสุขมากนี่ก็เรียกว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิพูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายก็จะเป็นอย่างนี้จึงปูหนทางให้ว่าการฝึกให้ง่ายที่สุดเป็นอย่างนี้ ก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะของตนเองให้ลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตคิดจึงจะควบคุมจิตของตนเองเอาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานได้ส่วนมากแล้วบุคคลที่ทำจิตใจแล้วไม่สงบเป็นสมาธิจะทำยังไงก็ไม่สงบคือขาดสติสติระลึกช้าสัมปชัญญะรู้ช้ารู้ไม่เท่าทันจิตคิดเลย จิตคิดไปถึงไหนก็มีรู้มันไปถึงไหนเราไปตามมันเรียกรู้ตามไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันต้องฝึกสติสัมปชัญญะของเรานี้ให้รู้เท่ารู้ทันจิตให้ได้ถ้าเป็นนามนธรรมเหมือนกันที่พระพุทธองค์ทรงแยกแยะไว้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัว คือความคิดเราพอเข้าใจในเรื่องอย่างนี้แล้วจึงจะสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบได้นี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายบัดนี้จะติดสุขอยู่นั่นก่อนติดสบายนั่งสองสามสี่ชั่วโมงข้าวก็ไม่อยากทานพระก็ไม่อยากฉันข้าวไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่สุขสุขทั้งวันทั้งคืนมันจะมีความเอิบอิ่ม เริืมปีติยินดีว่าตนเองนี้ฝึกฝนอบรมมาทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขได้ความสงบไม่มีอะไรรบกวนจิตใจของเราเรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่เป็นว่าการปฏิบัติอย่างลัดลัดอย่างกระทัดรัดแต่ทำจริงจังทำให้จิตใจของเรานั้นสงบได้เร็วผู้ใดยอยากสงบเร็วต้องเอาจริงจัง เรื่องอดีตอนาคตต้องปล่อยให้ได้บัดนี้เอาจริงคือว่าถ้ามีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงทุกคนต้องทิ้งหมดใครทำได้ไม้มถ้าทำได้ไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเราจะปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมจิตใจของตนไม่สนใจใครทั้งนั้นพ่อแม่ลูกหลานเพื่อนฝูงอะไรทำให้เหมือนไม่มีคน เรานั่งอยู่กันมากๆอย่างนี้แหละเวลาเราหลับตาเราภาวนาอยู่เรากำหนดอยู่ทำให้เหมือนไม่มีใครอยู่กับตัวเราไม่มีใครมายุ่งอยู่กับเราคนทำชนิดนี้แหละจะสงบเร็วมากฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนเอาไว้ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่า พวกเธอไปเจริญภาวนาปฏิบัติพวกเธอต้องทำตนให้เหมือนอยู่คนเดียวถ้าไม่อยู่คนเดียวก็คือไม่คิดกับใครนั่นเองไม่ยุ่งกับใครใจก็เลยสงบเป็นสมาธิได้ง่ายตรงนี้เองแต่เรากังวลกับคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้กันก็ดีนั่งใกล้กันก็ดีหรือว่าไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงหมัววุ่นวายเรื่องอย่างนั้นจิตจึงไม่สงบ เหตุฉะนั้นควรที่จะทำจริงจังเพื่อให้จิตใจของเราสงบสักครั้งหนึ่งถ้าเราสงบครั้งหนึ่งแล้วต้องจาให้ดีถ้าจาไม่ดีเราตั้งใจปฏิบัติทีแรกฝึกหัดจิตใจจิตใจเลยสงบเป็นสมาธิแม่สองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยสุขจริงๆเลยแต่จาการปฏิบัติไม่ได้เวลาทาทีหลัง เขาม่ถูกทางเดิมมันก็ไม่สงบสักทีเหมือนเราขับรถเข้าบ้านของเราเราขับรถไปซอยไหนถนนอะไรแวะตรงไหนผ่านตรงไหนเข้าไปถ้าหากว่าบาังเอิญมันไปถูกหรือไปเมืองนั้นหรือจังหวัดนั้นไปกลางคืนไม่ได้สังเกตไปทีหลังก็ไปไม่ถูกจําไม่ได้การปฏิบัติก็เหมือนกันจาไม่ได้ก็เข้าสมาธิไม่ได้เลย นั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ที่นนที่นี่สงบดีจริงๆทำไมวันนี้ทำยังไงก็ไม่สงบเหตุฉะนั้นเราจเจริญเมตตาภาวนามาตั้งแต่เริ่มต้นจเจริญเมตตาภาวนากำหนดอย่างไรปล่อยวางนิวรธรรมสิ่งรบกวนอย่างไรจิตสงบเข้าไปอยู่ในระดับคณิกะสมาธิอยู่ในอารมณ์อย่างไรแล้ววางอารมณ์นี้แล้วเข้าเป็นอารมณ์ใหม่ จิตสงบเป็นอุปจาราสมาธิอยู่ในอารมณ์อะไรต้องเข้าใจทีนี้เราวางอารมณ์นี้จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเขาอยู่ในอารมณ์อะไรจิตใจนั้นต้องจำไว้ให้ดีเมื่อเราจำให้ดีแล้วเราจะเข้าสมาธิทุกวันเลยอย่าให้มันขาดเพื่อให้จิตใจของเราชำนาญที่สุดในการเข้าสมาธิ จึงจะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ถึงห้านาทีนั่งแป๊บเดียวก็สงบเพราะเขาเข้าทุกวันเขาก็ชนานาญทุกคนชนานาญในการขับรถเข้าบ้านถ้าขับทุกวันทุกวันวันละห ล, ลายเที่ยวไม่หลงซอยเลยไม่หลงทางเข้าบ้านเข้าถูกต้องชันใดก็ชันนั้นเหมือนกันอยากฝากไว้ในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจ เพื่อจะให้มีความสงบติดต่อกันตลอดเมื่อเราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบดีแล้วนั้นมีประโยชน์อะไรบัดนี้เราจึงจะได้พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานวันนี้จะหาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆที่ทำให้ความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเราทุกข์กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทุกเพราะเหตุอะไรเราจึงจะศึกษาเรื่องนั้นเข้าใจได้ง่าย ทุกมาจากต้นเหตุอะไรแล้วเราจึงดับเหตุนั้นที่มันเป็นทุกอยู่เราไปดับที่ปลายเหตุไม่ได้เพราะศาสนานี้สอนไว้ธรรมะเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุมีเหตุก่อนจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลสักอย่างเหตุฉะนั้นจึงฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้สงบเป็นอย่างดีซะก่อน แล้วสามารถที่จะจ้องดูความคิดอ่านของตนเองได้เพราะกิเลสอยู่ในใจดังได้กล่าวมานั้นเป็นตน้นความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่ได้อยู่กับตัวคนมันอยู่ที่จิตใจอยู่กับจิตใจจิตใจดวงนี้ไม่เคยตายมันเก็บข้อมูลไปหลายพบหลายชาติเหมือนพวกเราทั้งหลายที่จะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างนี้ ก็ต้องเคยศึกษาอบรมมาก่อนในชาติอดีต ท, ที่จิตใจนั่นบัดนี้จิตใจที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วมาเกิดชาติใดพบใดเขาก็สนใจของเขาเองเขาก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้ามีครูมีอาจารย์ชักพานาทางที่ถูกต้องเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกภพทุกชาติที่ทำให้ตนเองนี้เจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเรา ก็จะดีขึ้นเป็นลาดับไม่ใช่จะเอาแค่ชาตินี้ชาติเดียวทีเดียวเลยจะได้ง่ายๆมันต้องอบรมมาหลายชาติแล้วที่พวกเรามีความเลื่อมใสยอย่างนี้มาก่อนเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้พูดให้ฟังเรื่องสั้นๆเพราะอาจจะกินเวลานานฟังกันมาเหนื่อยมากแล้วการทาสมาธิ ให้ทำจริงจังหน่อยอย่าทำเล่นถ้าหากเราทำเล่นก็ไม่เห็นของจริงทำจริงก็จะเห็นของจริงมีความสุขจริงๆ จ, จิตใจที่มีความสุขจิตใจสงบเราก็จะเห็นพบความสุขการปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนให้เราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเราก็จะมั่นใจว่า การฝึกฝนอบรมจิตใจสำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าใจของเราไม่ดีเราเห็นชัดเจนเลยจะมีทุกข์ไปอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์หมดในโลกเราจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีเงินหลายแสนล้านก็แล้วแต่มีรถมีรถกิจแสนแสคันก็แล้วแต่ถ้าใจทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขชัดเจนไหมไม่มีที่อยู่เลยถ้าทุกข์ใจ ถ้าสุขใจเนี่ยไม่ต้องมีเงินมากมีพอใช้พอจ่ายนิดๆหน่นนอยๆบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่มากเราจะมีความสุขต่างกันถ้าอยู่สบายแต่ตรงนี้ละการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะเขารู้จักทางถูกทางผิดที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ได้มีความทุกข์ระทมใจอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงส่งสอนให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจแต่เครื่องรบกวนทั้งหลายนั้นเขาเรียกนิวรณธรรมมันก็มีก็ไม่สงบง่ายๆจิตใจบางคนฝึกยังไงมันก็ไม่สงบสักทีฟุ้งซ่านคำว่าฟุ้งซ่านคือไม่สงบคุมไม่ได้สักทีมันก็ไม่เหนืออื่นไกลจากสติสัมปชัญญะ ถ้าฝึกสติสัมปชัญญะได้ก็ควบคุมได้ทั้งนั้นแหละแต่เราควบคุมไม่ได้ก็ว่าใจของผมใจของฉันมันไม่สงบสักทีเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นใจของเรามันคุมไม่ได้มันยังไม่เป็นของเราสิคุมไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่ตลอดอย่างนี้เราก็ว่าแต่ของเราของเรา เราต้องสามารถควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่ที่ไหนให้คิดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเสก่อนจึงจะควบคุมได้ให้นิ่งอยู่ก็ต้องนิ่งอยู่จะให้อยู่จุดไหนอยู่นั่นแหละผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ให้ไปสงบอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เมือนเราคุมคนเรามีกำลัง คนไม่มีกำลังรอจับไม่ให้เขาไปไหนนั่นคือมีสติควบคุมจิตใจของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานถ้าหากว่าเราสงบทุกวันทุกวันแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆพิจารณาลัดเลยเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาพิจารณาจิตในจิตเลย ดูความคิดของตนเองแต่มันก็รวมไปถึงคำพูดและการกระทำถ้าหากว่าคนที่จิตใจยังไม่สงบยังคิดไม่ออกเวลาไปทำอะไรทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนและคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดยังไม่รู้เลยว่าตนเองทำผิดตรงนี้สิถ้าจิตใจสงบนะรู้โอ้เราทำสิ่งนี้เองเป็นเหตุ ทุกจึงเกิดติดตามมาอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษากับคนอื่นหรอกถ้าหากเราพิจารณาได้ก็จะเข้าใจถ้าหากว่ายังไม่มีสติปัญญาก็จาเป็นต้องศึกษากับครูบาอาจารย์คนทั้งหลายก็ทาเรื่องอย่างนี้เองทำให้วุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองหรือในครอบครัวก็ดีทำให้เกิดทุกข์เพราะเหตุอย่างนี้พอรู้จักจับเหตุได้หยุดเลย หยุดในการกระทําเรื่องเหตุทุกดับทันทีเลยเพราะศาสนามันเป็นอย่างนี้ลองพิจารณาดูบัดนี้ถ้าจิตใจของเราสงบแล้วถ้าวันนี้พูดคุยกันมันถกมันเถียงทะเลาะวิวาดกันจะทุกจะตีจะฆ่ากันเบียดเบียนกันเกิดขึ้นมันพูดอย่างนี้เองเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบเป็นอย่างนี้เอง เหตุคือพูดอย่างนี้นี่จับหลักได้แล้วเมื่อจิตใจสงบแท้ที่จริงมาจากความคิดมันคิดเรื่องอย่างนี้เองคิดให้ทุกมันทุกกันอยู่เดี๋ยวนี้มันคิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดทุกดูอย่างง่ายง่ายบางทีตนเองคิดคิดทำให้ตนเองทุกอยากให้คนอื่นทุกด้วยมันเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้อย่างนั้นเอเราคิดแล้วมันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราไปคิดทำไมถามตนเองอย่างนี้สิถึงจะเข้าใจได้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วเข้าใจได้เราคิดอยากให้คนอื่นมีความทุกข์แต่เราคิดอยู่มันก็ทุกข์ถามตนเองว่าอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ จะไปดื้อคิดให้มันทุกข์ทำไมถ้าจิตใจเราสงบเราจะรู้เข้าใจเรื่องอย่างนี้ว่าเรานี่เองเป็นต้นเหตุถ้าพูดเปรียบเทียบข้างนอกง่ายๆเหมือนมีคนด่าเราพอเขาด่าเราแล้วเราก็ไปโกรธคนที่เขาดา่าแต่ก่อนที่เราไม่ถูกดา่าเราไม่โกรธเราไม่ทุกข์พอเขาด่าเราแล้วเราก็เลยโกรธ เราโกรธคนนั้นที่เขาดา่าเราก็เลยทุกข์ใครเล่าทำให้ตนเองทุกข์ตนเองที่คิดไปคิดกับคนที่เขาดา่าก็ทำให้เกิดทุกข์อยู่ตรงนี้เองเข้าใจได้ถ้าหากเราไม่โกรธเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อยู่นี้สิแล้วตนเองทำไมไปโกรธเขาเพราะจิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิ ควบคุมดูแลจิตใจไม่ได้ออกไปรบกวนเขาโน่นไม่เป็นสมาธิถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิอยู่กับตัวแล้วไม่ไปโกรธเขาแล้วจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไหมไม่มีเนี่แหละวิธีแก้ปัญหาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ การเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะหาวิธีแก้ไขหาวิธีดับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตนเรียกว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องแก้ปัญหาที่เราเราจะไปแก้ปัญหากับคนอื่นมันไม่ได้แก้แล้วมันก็ไม่สงบเพราะเราจะพบความโกรธเกลียดเครียดแค้นกันอยู่ทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่เราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบ เราจะดูไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เมื่อเราควบคุมได้เราจะค่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยเรื่อยปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่งอยู่ดูคิดเรื่องอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดแล้วมันทุกข์หรือมันสุขคิดถูกหรือคิดผิดนี่เขาเรียกว่าพิจารณาจิตในจิตเราจะดับทุกข์อยู่ตรงนี้เอง ทุกมันเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นภายในจิตใจมันต้องคิดก่อนเข้าใจไหมพูดอย่างง่ายง่ายให้เห็นชัดเหมือน ก, นกันกับห้องประชุมที่เรานั่งอยู่นี่แหละก่อนที่จะสร้างห้องประชุมขึ้นต้องคิดซะก่อนมาจากจิตใจก่อนเมื่อคิดขึ้นมาว่าจะสร้างห้องประชุมนี้ขึ้นต้องไปประชุมปรึกษากันออกมาทางปากแล้ว จิตใจก็สั่งงานออกมาทางปากประชุมว่าจะสร้างใหญ่แค่ไหนกว้างแคบอย่างไรวัสดุก่อสร้างในช่างอย่างไรเขียนแบบอย่างไรพูดคุยกันก่อนยังไม่ได้เป็นหลังอย่างนี้เลยต่อมาก็ต้องสั่งงานให้ร่างกายร่างกายต้องหาวัสดุต่างๆเขียนแบบขึ้นจิตคอยสั่งงานมาจากนี้เองฉะนั้น ต้องฝึกฝนอบรมที่จิตใจต้นเหตุอยู่โน่นถ้าหากว่าคิดถูกอย่างนี้ทําสําเร็จพวกเราทั้งหลายก็เลยได้มานั่งอยู่สบายสบายนี่เพราะอะไรเพราะเหตุ ด, ดีเหตุที่คิดขึ้นมาดีแล้วพูดจาปราศัยกันประชุมกันก็ดีลงมือทําก็ดีก็เลยสําเร็จเลยมานั่งสบายสบายอยู่อย่างนี้เห็นไหม นี่เหตุดีนะถ้าเหตุไม่ดีแล้วก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเกิดรบราคาฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่สงบก็มีแต่ทุกข์บ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนครอบครัวใดก็เหมือนกันถ้าสามีภรรยาลูกเต้าไม่สามัคคีกันไม่อยู่ในความสงบ ทุกทั้งนั้นหละสถาบันไหนก็ดีกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่สงบแล้วเกิดทุกทั้งนั้นวุ่นวายเพราะอะไรเพราะต้นเหตุไม่ดีจากความคิดนานาจิตตังคนคิดถ้าคิดว่าคนคิดมีนานาจิตตังคิดไปคนละสิ่งละอย่างต้องดูให้ดีนะที่มันจะคิดอย่างเดียวกันคืออะไรคือความสุข อยากมีความสุขเหมือนกันหมดทุกคนแต่กำลังเริ่มคิดคิดคนละทางอยู่ต้องเดินเข้าไปหาจุดคือความสุขนั่นเองอยากสุขทุกคนนั่งอยู่นี่เพราะอยากสุขคนไม่มาเขาก็อยากสุขเหมือนกันแต่เขาจะคิดสแสวงหาทางที่จะทำให้เกิดทุกข์อยู่ก็มีเรานั่งอยู่ที่นี่เราก็พากันฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้ คนที่จะขโมยของก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเนี้นะคนที่จะฆ่าคนอื่นก็ยังมีคนจะปล้นจี้เขาก็มีคนจะไปกินยาเสพติดอะไรต่างๆคนจะไปด่ากันอยู่ก็มีมันจะมีอย่างนั้นแต่เขาก็ว่ามันจะทำให้สุขนะบางคนถ้าหากว่าโกรธเขาหรือเขาว่าให้เนี่ยต้องด่าตอบซะก่อนมันจึงจะหายใจโล่ง อย่าไปคิดอย่างนั้นนะโยมทุกข์มันจะเกิดขึ้นอีกจะทุกข์มากขึ้นถ้าไม่ด่าตอบมันทุกข์นะท่านด่าแล้วค่อยสบายหน่อยเรื่องมันจะเกิดมากขึ้นกว่าเดิมถ้าหากเราโต้แยง้งโต้วาทีกันโต้ไปโต้มามันจะตีกันพระพุทธเจ้าก็เลยให้เงียบให้ฟังถ้าเราเงี่ยบมันก็เงียบเลยลองนะโยม ถ้าผู้ใดมีคันติความอดทนปฏิบัติได้แล้วถ้าเขาด่าก็ยังยืนให้เขาด่าได้เราไม่ได้เย็บปากมันไว้ให้มันด่าจนมันเป็นลมไปช่างหัวมันเลยสบายๆคนสลาดเพื่อนอยู่ตรงนี้สิด่าก็ช่างหัวมันสิมันยังไม่มาตีเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้แต่เราอย่าโต้อตอบมันจะเสียหายเกิดเรื่องราวขึ้น ตัวอย่างง่ายๆให้ได้สนุกสักหน่อยสมมุติว่าภรรยาว่าให้สามีคําหนึ่งสามีก็โต้มาพอโต้มาภรรยาก็เอาสองโต้ไปอีกสามีตอบมาภรรยาก็โต้ระวังนะ่ะสนามมวยลุมพินีจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่ในบ้านก็ต้องปูผ้าใบเนี่ยแหละการโต้ตอบพระพุทธศาสนาถ้าหากมองอย่างง่ายๆ มาแก้ปัญหากันนะถ้าสามีพูดให้ภรรยาภรรยาเงียบซะฟังอยู่นั่นไม่ต้องโตปล่อยไปแบบว่าผู้หญิงมีคุณธรรมเข้าใจบอกผู้ไม่โตตอบถ้าหากว่าภรรยาพูดให้สามีสามีก็อยู่เฉยๆฟังจะผิดแค่ไหนก็ช่างไม่โตตอบก็เลยไม่มีเรื่องเข้าใจบอกแล้วมันหยุดเอง หยุดแล้วจึงค่อยถามดูว่าด่ามเมื่อกี้นี้ใครซื้อรถยนต์มาให้ใครเอาเงินมาให้ถามลองดูมันผิดนะเพราะว่าผิดอย่างนี้ภรรยาก็ยอมว่าตนเองผิดซะสามีก็อาภัยให้ซะภรรยาก็ตั้งรับที่จะพูดใหม่ถ้าสามีพูดมากเกินไปภรรยาไม่ฟังเสียงอยู่เฉยๆเหมือนกัน ทีนี้เวลาเขาหยุดพูดแล้วก็ถามเขาพูดมเมื่อกี้ได้อะไรบ้างมีคนเอาอะไรมาให้บ้างมันเสียหายนะ่ะมันผิดสามีก็ยอมรับว่าตนเองพูดผิดซะภรรยาก็ได้อภัยให้นี่คือครอบครัวมีธรรมะสบายเลยทีนี้นี่คือคนฉลาดคนที่ไม่ฉลาดมันแตกบ้านแตกเมืองอยู่ทุกวันนี้ วุ่วายเพราะไม่มีคุณธรรมเข้าใจบ่ขาดขันติความอดทนเมื่อขาดขันติความอดทนไม่มีขันแตกแล้วน็อดขาดเลยใช่ไหมภาษาเราพูดกันเรียกว่าฟิวขาดมันเป็นอย่างนี้เหตุฉนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีมีอยู่มากมายอาจจะมีในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นรีบดับทุกข์ซะ ดับทุกข์ด้วยการไม่โตตอบไม่วุ่นวายด้วยก็สบายเหตุฉนั้นทำอย่างไรจึงจะรู้ก็คือว่าจิตใจสงบนั่นเองคือมีปัญญาอย่าลืมว่าทุกเกิดขึ้นมาทุกวันอย่างนี้ต้องดับอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงมันก็เมาอยู่อย่างนั้นสิถูกหรือผิดคิดดูดีๆ ถ้ามันหยุดมันต้องหยุดเองของมันคนเล่นไพ่เก่งไม่ดีก็หยุดเล่นเป็นหน้าที่ของตนเองหยุดเล่นคนอื่นบอกแล้วก็ไม่หยุดตนเองหยุดเองมันก็ดับทุกได้เราพูดอะไรหากพูดอย่างนี้มันเกิดทุกก็อย่าพูดสิถ้าตนเองไม่หยุดพูดมันก็ทุกต่อไปอยู่อย่างเดิมทำอะไรก็เหมือนกัน ทำสิ่งนี้เป็นเหตุแล้วทุกเกิดขึ้นหยุดทำอย่าไปทำอีกเรื่องอย่างนี้เหมือนพ่อแม่สอนลูกลูกก็ดื้อทำอยู่ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตของตนเองให้อยู่แบบความร่มเย็นเป็นสุขจึงควรที่จะเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบให้ได้ แล้วจึงจะแก้ปัญหาตนเองได้ยิ่งแก้ปัญหายิ่งไปไม่รู้กี่วัดไปหาอาจารย์องค์ใดก็แก้ให้ไม่ได้เพราะตนเองไม่แก้ตนเองมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราสกปรกอาจารย์บอกให้ไปอาบน้ำก็ไม่อาบสักทีมันก็สกปรกเหมือนเดิมเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติตนเองเอตฉะนั้น การฝึกหัดอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะต้นเหตุอยู่ที่จิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจจะไปแก้ที่โน่นไม่ได้ต้องแก้ที่จิตใจเพิ่นความคิดเพิ่นน่ะเป็นต้นเหตุทุกอย่างจะคิดถูกก็คิดมาจากจิตใจบบดนี้จิตของเราคิดถูกต้อง เราก็พูดถูกต้องได้เพราะเขาใช้งานมาให้พูดให้ถูกต้องเราทำอะไรก็ถูกต้องเพราะจิตใจคิดถูกถ้าจิตใจคิดผิดมันก็พูดผิดเพราะจิตใจคิดก่อนแล้วก็ทำผิดอีกมันสั่งให้ทาผิดก็เพราะจิตมันผิดก่อนคิดดูดีๆตรงนี้ลหละจะแก้ปัญหาตนเองได้ง่าย จะได้ลดละความทุกข์ความเครียดความกังวลอะไรเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นแก่ตนเองต้องปลดเปลื่องปัญหาตนเองได้ก็สบายในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลภ ร, รยาไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลผัวเป็นพราหมณ์คิดว่าตนเองเป็นนักปราดเหมือนกับพวกเราที่คิดว่าตัวเองเป็นนักปราดจบปริญญาเอกจากเมืองนอก ความรู้เก่งเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็เล่าแต่ไม่สนใจเรื่องพระศาสนาครูบาอาจารย์เทศสอนไม่เอามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเช่นภริยาเขาฟังเทศฟังครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติเขาฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาได้ผัวด่าเมียด่าเท่าไหรเมียนั่งฟังเฉยด่าไปจนเหนื่อยแล้วมันหยุดก็เลยมาถาม ดาเธอจนเหนื่อยเธอทำไมไม่เห็นโกรธอะไรเลยเมียตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้โกรธใครให้ฟังเฉยๆผัวจึงเข้าใจที่เมียไม่โกรธเพราะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธเมียก็ไม่ทุกข์อะไรผัวเลยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าความโกรธเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งไปโกรธทาไม เมียเขาเป็นคนดีจิตใจเยือกเย็นเขาไม่โต้ตอบผัวก็มาคิดเธอต้องละทิ้งความโกรธฆ่าทิ้งซะความเคียดแค้นพยาบาทปล่อยวางทิ้งไปพอปล่อยวางได้แล้วเอาแล้วนั่งคุกเขา่ากราบพระพุทธเจ้าพุทธัทงสารนังคชามิแต่ก่อนเนี่ยไม่เคารพเลยไม่เคารพพระพุทธเจ้าเหมือนเราได้มาคิดดูนะ ทุกคนสามารถจะศึกษาได้ทุกชาติทุกศาสนาถือกันหลายลัทธิศาสนาทุกวันนี้ก็คือว่าความเห็นต่างๆกันอยู่ยังเข้ารูปรอยกันไม่ได้ยังลงจุดเดียวไม่ได้ก็เลยแย่งกันแต่ที่จริงแล้วมีเป้าหมายเหมือนกันหมดอยากมีความสุขทุกลัทธิทุกศาสนาทุกตัวคนแต่ไม่รู้จักว่าเราจะเดินทางเส้นไหน จึงจะทำให้เราได้เข้าไปหาความสุขได้มีความสุขอยู่จึงจำเป็นต้องฝึกต้องเรียนนะวันนี้อาตมาก็เลื่มใจเห็นญาติโยมทั้งหลายตั้งใจสดับรับฟังเรื่องการประพฤติปฏิบัติอาตมาก็ย้ำเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญที่อาตมาต้องการให้คนสงบความสงบคือความสุขนัติสันติป ร, รังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหมือนพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันด้วยความสงบไม่มีใครรบกวนใครเลยมีความสุขมีพลังคนอยู่ด้วยมีความสุขอยู่สบายด้วยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนที่ไม่สงบถึงสิบคนยี่สิบคนก็วุ่นไปหมดเลยบ้านใดเมืองใดอำเภอใดจังหวัดไหนไม่สงบแล้วมันทุกข์ ไม่รู้ว่ามันทําให้เกิดทุกข์ไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเขาจะมีปัญญาแก้ปัญหาทําให้ตนเองหลุดจากความทุกข์นั้นไปเป็นปลอบปลอบหลุดไปเรื่อยสืกษาไปเรื่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยแก้ไปแก้ไปเลยสบายขึ้นคนอื่นทุกข์เขาก็ไม่ทุกข์ไม่ลําบาก เขาดูเฉยๆอยู่คนอื่นทุกทำไมเราไม่เห็นจะเดือดร้อนวุ่นวายเขาเรียกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลเหตุอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้เหตุอย่างนี้ทำให้เกิดสุขอย่างนี้เมื่อรู้แล้วเขาก็เลยทิ้งเหตุที่ไม่ดีซะทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำเอาตั้งแต่ทางดีคิดดีพูดดีทำดีอยู่ได้กันสงบสบาย เหมือนพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้มีเจตนาอยากมาศึกษาเพื่อหาหนทางปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขเกิดขึ้นเหตุฉนั้นการแนะนำสั่งสอนเรื่องการประพฤติปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจมาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้พากันตั้งจิตตั้งใจน้อมในการปฏิบัติธรรมที่สอนนี้ ไปฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในความสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เมื่อเราแก้ปัญหาได้ทั้งจิตใจทั้งวาจาและการกระทำแล้วความสุขก็จะมาเป็นของตนจะได้รับผลรับประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน จะทำให้เราเกิดความร่มเย็นเป็นสุขใจอยู่สบายนี่เป็นเรื่องที่อยากให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเหตุฉนั้นเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมมีจิตประสงค์จำนวงปรารถนาสิ่งใดไว้ในใจก็ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านมีความตั้งใจอดทนมาฟังเทศฟังธรรมให้สาเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนา และขอให้คุณพระศีรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงโปรดประธานพรให้รักษาสัทธาติโยมและสาธุชนทั้งหลายไปทางใต้าทางเหนือก็ดีให้รอดปลอดภัยและขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละทุกที่วาราตรีการดังแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องมโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถามโนมาาติ คือธรรมะทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้านั้นก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้ขอเจริญพร